มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาสัตตมวักสมณทุตศีลขีหิทุตศีลปัญหาที่สี่ถามว่าสมณะทุศีลกับคฤหัสถุศีลใครจะดีกว่ากัน ราชาอาหะสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีมีพระราชโอการตรัสถามปัญหาอื่นว่าพันเตนาขาเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานคารหัตทุศีนกับสมณะทุศีนนั้นโกจิวิเศสโสข้างไหนจะดีกว่าตกว่าสมณะทุศีนคารหัตทุศีนสองจำพวกนั้นจะมีคติ มีผลเสมอกานหรือว่าจะต่างกันพระนาค เ, เสษน์ผู้ประกอบไปด้วยปัญญาจึงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐขันหัสทุศีนี้จะเหมือนสมณะทุศีลหาไม่ได้อันสมณะทุศีลมีคุณสิบประการมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร อันว่าคุณสิบประการแห่งสมณะทุสีนั้นกะตะเมเป็นดังหรืออันว่าคุณแห่งสมณะทุสีสิ0ประการนั้นพุทเทสคารโวคือสมณะทุสีนั้นเคารพในพระพุทธเจ้าประการหนึ่งธรรมเมาสะคารโวคือสมณะทุสีนั้นเคารพในพระธรรมประการหนึ่งสังเคสะคารโว คือสมณะทุสีนั้นเคารพในพระสงฆ์ประการหนึ่งสัพพมจารีสุสคาราโวโอคือสมณะทุสีนั้ น, ค น, นเคารพเพื่อนพรมจารีประการหนึ่งอุทเทศะปริปุชัยยะวายามติคือสมณะทุสีนั้นเพียงที่จะบอกกล่าวเล่าเรียนพระบาลีและอัตถกถาประการหนึ่งสวัณะพาหุโลคือสมณะทุสีนั้น มากในการฟังธรรมประการหนึ่งพินณะสีโลปิสมณะทุสีนั้นตัวสิเป็นศีลเพศแล้วแม้จะมาสู่สำนักบริษัทย่อมตั้งไว้ซึ่งอากับกิริยาเหมือนมีศีลบริรสุทธ์สำรวมกายวาจามิให้มีข้อรหาเกิดขึ้นได้ประการหนึ่งปะทานาภิมุขขังสมณะทุสีนั้น ตั้งไว้ซึ่งจิตให้เป็นประธานประการหนึ่งสามัญยังอุปะคโตสมณะทุสีนั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสมณะเพศประการหนึ่งปาปังปฏิจฉันนังอาจารติสมณะทุสีนั้นแม้จะกระทำความชั่วก็ย่อมกระทาในที่ลับประดุดดังสตรีผู้มีสามีแอบสามีประพฤติความชั่วฉะนั้นประการหนึ่ง สมณะทุศีลดีกว่าคฤหัสถ์ที่ทุศีลด้วยคุณสิบประการดังวิสัชนามาชนีสมณะทุศีลดีกว่าคฤหัสถ์ทุศีลด้วยจะให้สำเร็จผลแห่งทักษินาทานอันยิ่งของถายกได้ด้วยเหตุสิบประการอาวัชชะปัทารณตายะคือสมณะทุศีลให้สำเร็จทักษินาทานของทายกได้ ด้วยเพศสมณะอันหาโทษมิได้อันตนทรงไว้ให้ทายกเลื่อมใสประการหนึ่งสมณะทุศีล์ทำทักษินาทานของทายกให้มีผลด้วยเหตุทรงเพศสมณะของท่านที่สแสวงหาคุณธรรมเป็นไม้เท้าที่ยึดหน่วงจับต้องแห่งทายกทั้งหลายประการหนึ่งสมณะทุศีล ยังทักษีนาทานของทายกให้สำเร็จผลด้วยภาวะคือตนปฏิบัติตามลัทธิของพระสงฆ์คือการที่จะกระทาวัตตปฏิบัติน้อยใหญ่เคยกระทาฉันใดก็กระทาฉันนั้นประการหนึ่งสมณะทุศีนย่อมยังทักษีนาทานของทายกให้สำเร็จผลด้วยภาวะที่ตนยังถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า เป็นที่พึ่งประการหนึ่งสมณะทุศีลอย่างทักษินาทานของทายกให้สำเร็จผลด้วยภาวะถืออนิเกตวาสีคือไม่สถิตอยู่ติดถินมิได้มีความห่วงใยในที่อยู่อาศัยอนิเกตวาสีนี้เป็นประธานประการหนึ่งสมณะทุศีลอย่างทักษิณาทานของทายกให้สาเร็จผล ด้วยภาวะที่ตนยังสแสวงหาชินะศาสนธรรมเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระทศพลผู้ผจญมารชนะมารนั้นประการหนึ่งสมณทุศีลยังทักสีนาทานของทายกให้สาเร็จผลด้วยตนสำแดงซึ่งบวรธรรมคือเทศนาสวดมนต์ประการหนึ่งสมณทุศีล ยังทักสีนาธานของทายกให้สำเร็จผลด้วยถึงซึ่งภาวะมีทรรมเป็นที่พึ่งเป็นหัวหน้าประการหนึ่งสมณะทุศีนยังทักสีนาทานของทายกให้สำเร็จผลด้วยตนมีทิฏฐิเห็นเที่ยงเห็นตรงว่าอโคพุโทโธสมเด็จพระพุทธองค์ทรงพระคุณอันล้ำเลิศประเสริฐกว่ามนุษย์นิกรเทวดา หาผู้ใดที่จะเปรียบมิได้ทั้งสามพบประการหนึ่งสมณะทุศีลยังทักษีนาฐานของทายกให้สำเร็จผลคือตนกว่าพระอุโบสถเสมออยู่ประการหนึ่งสิลิได้เหตุสิบประการเท่านี้มหาราชขอถวายพระพรบพิพระราชสมภารอุทกังสุภะลัมปิกะละละกัตถมัง ธรรมดาว่าอุทะกังอันเป็นน้ำก็ย่อมจะล้างชำระเปือกตมและเหงื่อใครได้ยะถามีคารุวนาฉันใดสมณะทุศีลอันปฏิบัติผิดเป็นปาราชิกนั้นก็ยังทานของทายกให้สำเร็จผลได้เอวะเมวโขมีอุปมหมดังน้ำอันชำระเปือกตมและเหงื่อใครได้นั้นมหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าน้ำร้อนสุกุติตัมปิอันเดือดพรุ่งพลานก็อาจสามารถที่จะดับเพลิงกองใหญ่ให้ดับได้ยะถามีขรุวนาฉันใดสมณะทุสีนั้นไซก็อาจยังทักษีนาทานทายกให้พองใสสำเร็จผลดุดอุทกังร้อน อันบุคคลดับซึ่งมหาอักคีกองเพลิงอันใหญ่นั้นดูกระะบพิษพระราชสมภารอีกประการหนึ่งสมณะทุศีลย่อมยังทักษิณาทานของทายกให้สำเร็จผลได้เหมือนโพชนะแม้ปราศจากโอชารสก็ยังบรรเทาความหิวของผู้บริโภคได้ข้อนี้ยุติด้วยกระแสบรรยายพระพุทธดีกา อันสมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสดาจารย์ตรัสจำแนกไว้ในเวยากรณาา์คาถาในทักคนาวิพังคาสูตรในมัชชิมะนิกายอุปริปนาตว่าโยศีลวาทุศีเลสุทธาทธาติทานังทมเมนละลัทธังสุปสันณาจิตโตอภิสัทธิกกร ม, มพลังอุลารัง สาธกินาทายกะโตวิสุทธิติแปลว่าโยทายโกอันว่าทายกผู้ใดศีลว่าตั้งอยู่ในศีลห้าประการแปดประการมีศีลสมาทานเป็นอันมั่นมีจิตเลื่อมใสเป็นอันดีแล้วย่อมให้ซึ่งทานที่ตนได้มาโดยธรรมแกสมณทุศีลทั้งหลาย และเชื่อกรรมเชื่อผลอันยิ่งสาธกินาอันวททักษินาคือทานของทายกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยผู้ให้คือสามารถจะยังผลอันเจริญให้สำเร็จแก่ทายกนั้นดังนี้เพราะเหตุนั้นสมณะทุศีลจึงเชื่อยังทักษินาของทายกให้สำเร็จผลได้ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินธราชทรงฟังก็ประสาทะเลื่อมใสสาธุการว่าสาธุควรอัศจรรย์ด้วยปัญหานี้พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาวิสัชนาให้รู้ด้วยเหตุอุปมาสวนูปัตตังอากาสิพระผู้เป็นเจ้ากระทําอมริตมธทุรษให้ปรากฏควรที่จะสวนาการฟัง เป็นที่จะบังเกิดสมณัตปรีดายะถาสูโทรธรรมดาว่าพ่อครัวที่ฉลาดได้ซึ่งบางสังสิ่งเดียวก็อาจกระทำด้วยเครื่องปรุงอันมีประการต่างๆคือต้มแกงขั่วเจียวปิ้งย่างกระทำต่างๆเป็นราชบริโภคได้ยะถามีครุวนาอุปมาฉันใด โยมได้ถามปัญหาข้อเดียวเท่านั้นพระผู้เป็นเจ้าชักเอาเหตุมาเปรียบเทียบให้สิ้นสงสัยกระทำอมริตรศให้ปรากฏควรซึ่งอันฟังมีอุปมาฉันนั้นสมณะทุตสีละขีหิทุตสีละปัญหาเป็นคำรบสีจบเพียงนี้